สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่ห้าสิบเจ็ดเรื่องความหมายของเสาเจ็ดต้นในพระธรรมสุภาษิตบทที่เก้าข้อที่หนึ่งโปรดฟังโระชนะของพระเจ้าปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้วเธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้นพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเสาต้นที่สามนะครับ ในเช้าวันนี้เราจะมาดูต่อในเสาต้นที่สี่เสาต้นที่สี่นั้นในพระคัมภีร์สุภาษิตตอนนี้ได้อ้างอิงกลับไปถึงพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่แปดสุภาษิตบทที่แปดนะครับเมื่อวานนี้เราได้เริ่มต้นอยู่ที่ข้อที่สิบสองนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นอยู่ในข้อที่สิบสี่ครับสุภาษิตบทที่แปดข้อที่สิบสี่ เรามีคําหารือและสติปัญญาเรามีความรอบรู้เรามีกำลังปวดไฟอีกครั้งครับ <c oughs> เรามีคําหารือและสติปัญญาเรามีความรอบรู้เรามีกำลังเพื่อนครับเสาต้นที่สี่นั่นก็คือคําปรึกษาหารือหรือที่เรียกว่าการให้คําแนะนาที่ดีคนที่มีสติปัญญา คนที่รับการเคิรชวนของเจ้าหญิงแห่งปัญญานั้นเขาจะมีสติปัญญาจนกรั่งถึงการที่เขารวบรวมสิ่งต่างนะครับสะสมความรู้ความสามารถจนกระทั่งเขากลายเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาที่ดีให้คําแนะนําที่ดีได้การให้คำปรึกษานั้นหมายถึงการแนะแนวทางครับแนะแนวทางที่ดีที่ถูกให้กับคนอื่นแนะแนวทางที่ชอบธทำ และยังเป็นคำแนะนำที่ฉลาดด้วยรวมถึงความหมายของการฟังคนอื่นพงพี่น้องครับการฟังคนอื่นนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะนำไปถึงการให้คำปรึกษาคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการที่เราได้ฟังคนอื่นฟังปัญหาของเขาฟังการระบายถึงความรู้สึกต่างๆของเขานะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมี คำปรึกษาที่ดีนั่นหมายถึงว่าคนที่เขาจะต้องยอมรับฟังนะการฟังนั้นเป็นเรื่องที่แอคทีฟมากนะครับเฉะนั้นคนนั้นจะมีการตัดสินใจอย่างฉลาดคนนั้นจะสามารถต้องรู้ดีรู้ชั่วได้รู้ถูกรู้ผิดได้นะครับจึงจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ในทานองเดียวกันครับคนคนนั้นหากตัวเองต้องการคำปรึกษาจากคนอื่นที่มีความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าตัวเอง เขาก็จะต้องยอมครับเขาจะต้องยินยอมให้คนให้ตัวเองนั้นมีที่ปรึกษามีพี่เลี้ยงและต้องรับคําปรึกษาคําแนะนําจากพี่เลี้ยงหรือคนอื่นๆได้เรามาดูครับกษัตริดาวิดก็ตามเขาต้องมีผู้เผยพระชนะนะครับชื่อลาทันนะครับกาสัตโซโลมอนเขาก็ต้องการเสดิจปัญญาเขาก็ต้องยอมให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเขานั้นเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาทั้ี่ สุภาษิตบทที่สิบเก้าเขายีสบนะครับให้เราฟังคําแนะนําและยอมรับคําสอนแล้วจะมีสติปัญญาในบ้านปลายให้เรารับฟังคําแนะนําและยอมรับคําสอนเพื่อที่เราจะมีสติปัญญาในบ้านปลายเอาแล้วครับเราจะมาเข้าสู่เสาตอนที่ห้านะครับการมีสติปัญญาทั้งพีภาษาไทยฉบับแปลใหม่แปลว่าการมีดุลพินิษผมได้พูดถึงเรื่องของดุลพินิษนะครับใน ตอนต่อๆที่ตอนต่อๆไปนะครับและตอนที่ผ่านมาด้วยภาษาฮีบรูนะครับคำว่าการมีสติปัญญาหรือการมีดุลพินิจนั้นใช้คำว่าดูชิยาทูช h ยาทู่ี่แปลว่า common sense ครับหรือสามัญสำนึกเพราะฉะนั้นการมีดุลพินิจนั้นก็หมายถึงการที่คนเราจะมีสามัญสำนึกในทางที่ชอบการมีความประพฤติที่เฉลียวฉลาดแน่ๆนะครับ แในพัมพีตอนนี้นะครับเน้นเรื่องพฤติกรรมหรือการแสดงออกหรือความประพฤติครับนะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและมีดุลยพินิษหรือวิจรารณญาณซึ่งเป็นความสามารถในการใช้ชีวิตแบบคนอยากมีปัญญาครับนะเป็นความสามารถอยากจะมีชีวิตแบบคนมีปัญญาในวิถีชีวิตประจําวันของเขาเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ออกแนว practical มากๆนะครับใน เสาต้นนี้นั่นหมายความว่าเพื่อกัมพีนั้นกำลังเน้นนะการมีดุลพินิษเพื่อจะนำไปปฏิบัติหมายถึงการกระทาที่แสดงออกมาให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องชอบทำยุติธรรมนะครับทำให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่มีอคติถ้าเรามาดูในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่สานะครับโซโลมอนได้ให้บรรดาโอรสของพระองค์ท่านได้รับคาสอนสามเรื่องครับที่ทาให้เกิด โดยพินิจที่ดีนั่นคือหนึ่งความชอบธรรมสองความยุติธรรมสามและความเที่ยงธรรมความชอบธรรมนั้นคือ rightness นะครับความยุติธรรมคือ justice และความเที่ยงธรรมคือ equity ซึ่งมีความหมายแต่ละอย่างครับเราจะาดูกันว่าความชอบธรรมนั้นคืออะไรความชอบธรรมนั้นมีความหมายในภาษาฮีบรูว่าถูกต้องหรือตรงครับหมายถึงชีวิตที่มีความถูกต้องครับชอบธรรมนะครับและมีการตั้งตรง ไม่เอียงไม่เบี้ยวนะครับนี่คือความชอบธรรมชีวิตที่ตั้งตรงตั้งตรงในครับตั้งตรงอยู่บนความถูกต้องครับนะครับปักหลักอยู่บนความถูกต้องประการที่สองครับยุติธรรมยุติธรรมคืออะไรครับยุติธรรมคือความสามารถที่คนคนหนึ่งนั้นจะมาถึงความเข้าใจต่อเรื่องราวต่างๆอย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับนํามาถึงการตัดสินใจนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ครับมันเกิดจากการสั ง, สงเกตรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับผูดภากษาเนี่ยต้องพิพากษาอย่างยุติธรรมตั้นหมายความว่าเป็นความสามารถของผู้พากษาแต่ละคนที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่ถูกถูกเล่าจากทั้งโจทย์และทั้งจำเลยนะฮะเป็นคําให้การต่างๆนั้นเขาจะต้องนํามาสังเกตนํามารวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์หลังจากนั้นจึงจะให้คําตัดสินได้ที่ยุติธรรมด้วยประการที่สามครับความเที่ยงธรรม ความเที่ยงธรรมในที่นี้หมายถึงความเท่าเทียมกันครับนะไม่เบี่ยงเบนความเที่ยงธรรมรือเอกีแปลว่าความเท่าเทียมกันที่มีจะต้องที่เราจะต้องมีต่อคนอื่นๆครับนะคนอื่นๆเรื่องราวต่างๆนะครับรอบตัวเราต้องเราต้องเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะครับเป็นแนวความคิดและการปฏิบัติที่สับซื่อครับไม่คดโกง ปฏิบัติต่อคนอื่นทุกๆคนโดยไม่ลำเอียงมีความยุติธรรมไม่แบ่งแยกไม่ปิดกันไม่เหยียบผิวไม่มีอคติดังนั้นพี่น้องครับชีวิตที่มีอยู่รพินิจหรือมีสติปัญญากว้างขวางมากนะครับกว้างขวางรวมสามสิ่งนี้ให้อยู่ในการกระทำและพฤติกรรมของตัวเองก็คือความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมนะครับ จะต้องรวมนะครับสามสิ่งนี้อยู่ในการกระทำและพฤติกรรมของตนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเสาต้นที่สี่ครับก็คือการให้คำปรึกษาคนที่มีดุลพินิตฐ์ที่ดีนะครับเขาจะมีคนมาหาเพื่อขอรับคำปรึกษาและเขาจะให้คำปรึกษาที่ดีและที่ชอบที่ถูกต้องด้วยเสาต้นที่6ครับก็คือความเข้าใจนะครับหรือ understanding เป็นความรอบรู้การที่คนเรานั้นจะมีความเข้าใจต้องประกอบด้วยสามอย่างครับหนึ่ง ต้องรู้แหล่งที่มาของปัญญาและความเข้าใจก็คือพระเจ้านั่นเองการที่เราจะต้องรู้แหล่งที่มานั้นสําคัญครับ2เราจะต้องรู้วิธีการรับปัญญานะครับการรับปัญญาหรือวิธีการรับปัญญานั้นก็คือเกิดจากการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าครับมีชีวิตที่มีวิ น, นัยนะครับในการศึกษาคําสอนศึกษาความจริงเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าความรู้และการเรียนรู้นะครับจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะมีชีวิตที่มีความเข้าใจครับ นะครับมีความจริงและสัจธรรมของพระเจ้าอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้นะครับและการเรียนรู้เราต้องรู้วิธีการหาความรู้ครับนั่นคือการอ่านการไข้ครวญการฟังการศึกษาโภชนะของพระเจ้าประการที่สามครับมีความหมายถึงการแยกแยะอย่างฉลาดนะครับการรู้ดีรู้ชั่วนะนํามาถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะระหว่างความดีและความชั่วดานี่คือดิสซนเมนต์ครับก็คือการแยกแยะ จิตวิญญาหรือวิญญาณนะครับแห่งการแยกแยะเสาต้นสุดท้ายครับเราจะมาดูกัน power หมายถึงกําลังคือความเข้มแข็งหรือกําลังในการที่เราจะแก้ไขปัญหาต้องอาศัยยูแลพินิชการดําเนินการการแก้ปัญหาชูทางออกต้องอาศัยกําลังพี่น้องครับการแก้ปัญหาหาทางออกต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญาดูแลพินิจแต่การดําเนินการแก้นะครับกําดำเนินการแก้นั้นต้องอาศัยกําลังหรือพลังดังนั้น เรามีความรอบรู้เรามีกําลังจึงอยู่ในข้อเดียวกันครับในพ่างผีตอนนี้เราต้องเข้าใจปัญหาก่อนเราถึงจะมีกําลังในการแก้ปัญหามีอํานาจและความสามารถในการที่จะจัดการกับปัญหาได้เพียงครับปัญญาจารย์บทที่เจ็ดข้อสิบเ็ดนะครับบอกว่าคนที่มีสติปัญญาเพียงคนเดียวก็ดีกว่าหรือมีกําลังมากกว่าพระราชาถึงสิบพระองค์เราเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ของเสาหกต้นแรกนะครับกับต้นที่เจ็ดก็คือกําลังนะั้น เห็นความสัมพันธ์ดังนี้ครับว่าการที่เราจะมีกําลังต้องเกิดจากเสาหกต้นข้างบนก่อนนะครับแสดงว่าเราต้องมีกําลังเราจะมีกําลังในการแก้ปัญหาต้องมีแนวคิดสติปัญญาดุลพินิษทรัพยากรต่างๆอย่างพร้อมเพรียงครับถึงจะนําไปสู่การตัดสินใจและรับกําลังจากพระเจ้าในการดําเนินการแก้ปัญหาได้ในการเดียวกันครับการขอพระเจ้าให้มีกําลังก็จะวนกลับลูปกลับไปนะครับที่จะเพิ่มเติมเสาหกต้นแรกให้มีป ร, ริ ม, มาณของความเฉลียวฉลาดความอย่างรู้ความรู้นะครับ คำหาหรือที่ฉลาดความรอบครอบสติปัญญาทั้งหลายเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นวงจรกันครับหกเสานะครับจะสัมพันธ์กับเสาที่เจ็ดพี่น้องครับสรุปวันนี้นะครับยาวนิดหนึ่งผู้ที่มีพระเจ้าและสติปัญญาของพระองค์ก็จะมีความแข็งแกรง่งแข็งแรงเหมือนป้อมปาการเพราะว่าพรงทรงเป็นป้อมปาการและที่ริ้ัยของเรานะครับเราจะมีเสาทั้งเจ็ดต้นที่เจ้าหญิงปัญญาสร้างไว้นะครับขอทบทวนนะครับ ความรอบครอบความฉเฉลียวฉะลาดความยำเกรงพระเจ้าคำปรึกษาหารือสติปัญญาดุลพินิตความรอบรู้และมีกำลังเจ็ดอย่างนี้นะครับที่จะต้องมีพร้อมกันนะครับในการดำเนินชีวิตและชีวิตของเรานั้นจึงจะประสบความสาเร็จได้รับพระพรขอพี่น้องอ่านในพระธรรมอิสยาห์บทที่สิบเอดข้อหนึ่งข้อห้านะครับนั่นคือชีวิตของพระเยซูกิตที่มีเสาทั้งเจ็ดต้นนี้อาเมน